หนกายคือที่ประชุมคําว่าในเครื่องหมายคําพูดกายหรือคําว่าในเครื่องหมายคําพูดกายยาในสติปัฏฐานแปลว่าที่ประชุมดังนั้นในห้องประชุมในที่ประชุมนี้ประกอบด้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแต่ละตัวแต่ละตัวทํางานของมันเองไม่ก้าวไกา่กันแต่ถ้ากิเลส ต, ตัณหาเกิดเมื่อไหร่ก้าวไกา่กันทันทีเลยจะวุ่นวายขึ้นมา ถ้ามีสติรู้อยู่ก็เห็นขันแต่ละขันเขากระจัดกระจายออกไปทำงานออกไปมันเป็นการกระจายขันออกไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดคันนะแต่เดิมเรารู้สึกเป็นกลุ่มก้อนนี้คือตัวเราตอนนี้กลุ่มก้อนนี้แตกออกแล้วพอกลุ่มก้อนนี้แตกออกตัวเราจะไม่มีนี่เป็นการที่จิตมีปัญญา ทำให้เห็นตัวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แตกกระจายออกไปบางคนก็จะเห็นตัวนี้เกิดดับโดยเฉพาะจิตจะเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแวบมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นตัวหนึ่งแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นเป็นอย่างนี้จะเห็นเลยจิตไม่ใช่ดวงเดิมจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจะเห็นเลยขันแต่ละขันทางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อย